พู้ที่จะใส่บาทก็ใส่ที่โน่นหมดใส่หมดนะเอาขึ้นมาวันนี้ท่านไม่ฉันนะท่านฉันเฉพาะที่ท่านบินที่โน่นหลวงตาท่านพาทำท่านกลัวจะหลุดไม้หลุดมือพวกเราท่านพาทำพวกเราก็พากันสืบต่อไปเป็นทุตยดวงหลายข้อ รวมทั้งข้อนี้ด้วยข้อหนึ่งถึงไม่ใช่ในพรรษาหมู่เขาก็ถือมาตลอดอยู่นอกพรรษาตรงนั้นเป็นที่ใส่บาทสลหรับพระทุ ด, ดงเฮ้ยปิดหมดเดี๋ยวก็นั่งหลับกันอีกอะฮะนัดไฟจ้าจายังจะครอกๆอยู่เนี่ยฮะ เออแล้วเมื่อกี้ใครไม่สบายอะไรเห็นได้ยินเสียงคุยกันนะปกติไม่มีนะเนี่ยวัดเราเนี่ยตรงนี้นะไม่มีนะเสียงคุยกันหมูนั่งภาวนาเต็มวัดเนี่ยเต็มศาลาเนี่ยมันอึมอึมอึมอึมเนี่ยมันไม่ออกเป็นคําอันนี้ยิ่งยิ่งกวนไหลอึอึมอึมอึมอมอเนี่ฟังไม่ออกเนี่ย เฮ้ยไม่เป็นไรด็อกท่านไม่ได้ยินไม่ได้ยินแ น, น่ก็เราว่าเองอนั่งภาวนามันเป็นการสำรวมระมัดระวังเนี่ยมันไวต่อหูมันไวต่อเสียงนะเสียงใบไม้ลงเฉยๆเนี่ยดังตึบตับตึบตับเสียงดัง จิตมันสงบอะไรมันมากระเทือนมันก็ชัดมันไม่เหมือนจิตธรรมดาธรรมดานะเสียงจนหูจะแตกแทบไม่ได้ยินอีกมีตาดูมีตาให้ดูมีหูให้ฟังเกิดปัญญา ก็พอได้คนอืึ่งก็ น, นั่งส่งกเงียบหมดจะขอคุยกั น, น <c oughs> เอเอยกเวน้นฐานที่จาเป็นเออจ็บใครได้ป่วยมีอะไรพูดคุยอันนี้มีฐานยกเว้นให้ <c oughs> ถึงถามว่าเมื่อกี้นี่ใครไม่สบายเหรอ หมอเยอะนล้นี่หมอเต็มทั้งนั่นเลยนี่ที่หมอแล้วนี่รู้จังไ้ยนี่นะ <laughs> <laughs> <laughs> นี่หมอใหญ่อยู่ข้างหน้านี่นะซุ่มไม่ออกเพราะออกเราก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปใส่บาทรข้างนอกอนะ าบา ง, งท่านก็นถือเทดงไปบางองค์ท่านก็ถือเทโดงรับในบ้านด้วยและมารับตรงนี้ด้วยอืบางองค์ท่านก็นถือเด็ดกว่านั้นอีกท่านรับแต่นในบ้านนั่นข้างนอกวัดตรงนี้ท่านไม่ลงรับก็มีอย่างนี้ก็มีมบางองค์ท่านรับข้างนอกด้วยมารับข้างไหนตรงนี้อีกด้วย ับตุ ด, ดงผู้ที่รับบาทพระตุดนดงก็ของใครของเรานะองค์ไหนองค์นั้นยกเว้นแต่ท่านบอกว่าเออสละเน๊เอาไปไว้เอาไปส่วนกลางสละนอกอ่าถ้าท่านไม่สละแล้วถือตามท่านขึ้นมาถวายบนนี้อของเราของเราของเราเดี๋ยวนอนไม่หลับไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะ ทำไปไม่ลําบากเป็นการรักษาแบบฉบับเอาไว้การรู้วัตถุดองนี่เป็นเรื่องจําเป็นมากสําคัญมากสำหรับปฏิบัติธรรมทุดงทุกข้อผูกมัดเอาไว้ด้วยสัจจะทุดงทุกข้อผูกมัดไว้ด้วยสัจจะทุดงทุกข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนะเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องอขัดเกล า, ก, ากิเลสในหัวใจของเราเนี่ยแหละ สุดดวงนี้ท่านไม่ได้บัญญัติเหมือนวิ น, นัยไม่ได้บัญญตัติถ้าหาใครไม่ทําตามปรับสิครับปรับอวบัติอย่างนั้นปรับอวบัดอย่างนี้ท่านไม่ปรับเพราะฉะนั้นพระเทวทัตไปเสนอไปเสนอเนะี่ะพุทธเจ้าถึงไม่รับรับไม่ได้ไม่ใช่ว่าศาสนาธรรมของเราหย่อนยานแต่มันจะเป็นการรบกวนพระสงฆ์มันจะเป็นการเบียดเบียนความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ครับต่านไปขอยังไงถือว่าภาพบางสกุลเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดฉันบินทบาดเป็นวัดมไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตเป็นวัดนี่ตัวนี้แหละสำคัญสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างห้าข้อนะเทวดาทัานไปขอพระเจ้าแต่ข้อนอกนั้นพระเจ้าท่านกบพาถือถุงดงทั้งหมดเลย เช่นอย่างเที่ยวบินธบาตเป็นวัดนี่ไม่รับนิมนต์ถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนี่เป็นทุต ด, ดงอยู่ป่าเป็นวัดนี่นี่เป็นทุต ด, ดงอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่เป็นทุต ด, ดงพุทธเจ้าทา บ, บัญญัติมาเป็นทุต ด, ดงหมดแต่ไม่ได้บัญญตัติ ตามที่เทวทัตเขาขอเนี่ยถ้าเผิดใครไม่ทำตามถือว่ามีโทษปรับโทษนี่เทวทัตที่เ ท, ทวทัตขอพระเจ้านะแต่การขอทั้งนี้เป็นการขอเพื่ออวดอ้างว่าจะของนี่เคร่งนะถือภาพบางสุขุนเป็นวัดเธอถือหรือยังยังเ <laughs> จ้าของยังไม่เคยถือ <laughs> ยังอืม ไม่ชั้นไม่ไม่ไม่ชั้นไม่ชัน้นเนื้อชั้นปลาเธอถือหรือยังยัง <c oughs> ยังไม่เคยถือ <c oughs> แต่เคยอยู่ปลาเป็นวดัดเคยอยู่คนไม้เป็นวดัดนะในจํานวนห้าข้อเนี่ยเทวทัตเคยทําข้อหรือสองข้อท่านเองนอก น, นั้นเทวทัตไม่เคยทําที่ไปขอเนี่ขอเพื่ออวดอ้างว่าจะของเนี่เคร่งเพื่อที่เพื่อที่จะแยกพระสงฆ์ไปจากพระพุทธเจ้าซึ่งมีเจตนาที่ไม่บริสุทธ เพราะฉะนั้นถึงไปกระอากเลือดหลังจากผิดหวังแล้วหมู่เพื่อนทอดทิ้งทอดทิ้งหมดนะ่ะอืมตระลึกได้จะมาขอเข้ามาพุทธเจ้าด้วยเหตุที่มันกรรมหนะักมายัางไงก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเหล่ามายัางไงก็ไม่ได้เห็นเหล่าพระอนุเรียนกราบทูลมายัางไงก็ไม่ได้เห็นเรามายังไงก็ไม่ได้ขอเข้ามาเราบอกว่าเทวทัตจะต้องถูกเป็นดินสุกถึงจะมายัางไงก็ไม่ได้ ไม่ได้กราบเราก็จริงๆเลยมามาวางลงที่หน้าประตูเชีตวันเนี่ยตามตำนานท่านเล่าไว้เป็นดินก็สูกเป็นปุคลาทิ่ฐานหรือเป็นธรรมมาทิ่ฐานหรือเป็นอะไรเราก็ฟังไว้เราก็ฟังไว้มีเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ทาแล้วเห็นโทษทันตาถึงกับหนักแผ่นดินอยู่ไม่ได้ละแผ่นดินนี่อยู่ไม่ได้ละหนักจมลงไปเลย มันจะเป็นคําอุ ป, ปมารหรือจะเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยมันเป็นมันเป็นพุทธานุภาพอมันเป็นมันเป็นมันเป็นพุทธานุภาพในเมื่อคนไปลบล้างถึงขนาดนั้นแล้วนี่อืมจะได้รับความวิบัติ ถ, ถึงขนาดนั้นถึงขนนั้นนั้นขั้นนั้นย่อมเป็นไปได้ นุนไปอยู่เวจีมานรกนุ่นลึกที่สุดนะไม่รู้กี่กับ Myth. แล้วจะได้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมากว่าจะกว่าจะเบามาเรื่อยเบามาเรื่อยไม่ใช่หลุดหลุดทีเดียวเล้วมาขึ้นเป็นมนุษย์นะไม่ใช่นะยังไม่ถึงนะกว่าจะมากวา่ากว่าจะมาถึงปากหม้อนรกเนี่ยมันไม่รู้เท่าเท่าไรต่อเท่าไรมันเลื่ อ, ๆๆอ น, นมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยผ่อนผันมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเบามาเรื่อยเบามาเรื่อยเบามาเรื่อย ไม่ใช่รุดเสียทีเดียวแต่โดยอานิสงส์ที่ตั้งใจประพฤติพรหมจันทร์โดยความมาเกี่ยวข้องผู่พันกับพระศาสด า, าจะในแง่ดีหรือในแง่ไม่ดีก็ตามตอนหลังมารลึกยอมพระพุทธเจ้าเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีอะไรติดมไม้ติดมือเลยยก้างกันไกลที่กำลังจะจมดินลงไปเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้ารเเนว่างั้นเถอะ รู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธมพระสงฆ์ยอมสิโรราบและเต็มร้อยเลยตอนนี้ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่สักเม็ดหนึ่งเละไม่มีแหละอ๋อพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งแย้มพระโอสถอยู่ที่ไปเชีย์ตะวันนั่นแล้วก็ว่าจากนี้ไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเธอจะได้เป็นพระปจเจกขปุถะตรัสรู้พระปจเจกานิตตรัสรู้เองตรัสรู้ชอบเอง แต่ไม่ได้สร้างบารมีเพื่อเป็นพระศาสดาตั้งพระศาสนาเราได้ยินได้ฟังยกตัวย ก, ยกตัวอย่างพระเทวทัตบ่อยๆครั้งเข้าเพราะเป็นตัวอย่างคนทำไม่ดีแล้วได้รับโทษได้รับทุกได้รับโทษมันน่าจะเป็นการถึงจิตถึงใจสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังคำสั่งสอนของพระศาสดา ขอพระพุทธเจ้านี่เมื่อกี้เราพูดถึงทุดดงทุดดองคือข้อขัดเกลา่าเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลว์อย่างพวกเราถืออยู่ทุกวันนี้เราก็ได้ทั้งหลายข้อแล้วแหลบะบิณฑบาตเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดถ้าเราเพิ่มอีกข้อหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามมาส่งถึงบนสลาตรงนี้เป็นวัดนี่เป็นสามข้ อ, อแล้วก็ชั้น มือเดียวเป็นวัดบินธบาตไปตามแถวเป็นวัดนี่เป็นสสี่ข้อจากนั้นแล้วในรรษาเนี่ยใครจะสมาทานเนสชิกเนสเนสชิกเนสชิกเป็นวันวั น, วนทำได้เป็นคืนคืนสมาทานสามเดือนเลยไม่ไหวดอกแต่บางคนมีความสามารถทำได้สมัยพุทธกาลก็พระจักบาลนั่แหละ เอาจนตาตาบอดล่ะตาบอดช่างมันไม่ยอมนอนทำความเพียรไม่ไม่นอนเป็นโรคตาหมอแค่ให้นอนหยอดตาก็ไม่ยอมหยอดยาหยอดตาไม่ยอมพวกเราถ้าจะทำได้เราก็สมาฐานได้เป็นเป็นคืนคืนกาคืนนี้เราจะในสั ช, ชินั่งตลอดทั้งคืนไม่นอน อยู่สามอิรยาบทยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งหลับบ้างอันนี้ถึงถือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นขั้นพื้นพื้นธรรมดาโโรตลอดโโรตลอดทั้งคืนอันนั้นถือว่าเป็นวิกฤตอุกฤตอุกฤตดนะเป็นขั้นอุกฤตคือมันมีระดับต้นระดับกลางและระดับอุกฤตระดับ ระดับเคร่งได้ตามนั้นนะใครจะไม่หลับยืนก็ไม่หลับเดินก็ไม่หลับหมายถึงหลับข้างในนะหลับหลงลืมเคลิ่มไปอย่างนี้นะนั่งหลับนะไม่หลับเลยร่้ตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างนั่นถือว่าเนสัตชิกแท้แล้วก็เป็นคนที่ละเอียดพอสมควรนั่นแหละจิตละเอียดมาก ถ้าลทเาไม่ละเอียดมันไม่ได้ดอกมันจะไม่โร่อย่างนั้นดอกมันมันโร่ไม่ได้มันโร่ไม่ได้ดอกถ้าหากไม่เคยทำไปฝืนนี่ก็โอ้ทรมานพอสมควรแหละถึงยังไงก็ลองทำดูอาหัดทำดูนั่งทั้งคืนนอกจากยืนเดินนั่งตลอดทั้งคืนแล้วนี่ หลวงตาท่านเทศได้ฟังนะ่ะนั่งอิริยาบถเดียวตลอดทั้งคืนอันนี้นั่งสู้เวทนาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มืดเนะ่ยจนสว่างจนสว่างเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มืดจนสว่างตั้งแต่ไม่มืดจนสว่างแต่อันนี้เขามีแบบแบบเคลิอ ม, มบ้างก็มีแบบโร่ตลอดเลยก็มี อันนี้อีเดียบทเดียวไม่พลิกเปลี่ยนด้วยนะแช่อยู่นั่นแหละทิ้งหมดร่างกายนี้ต้องทิ้งหมดทำไมถึงกับทิ้งหมดนี่ไปไม่ได้ทิ้งหมดแล้วแหละร่างกายนี้ทิ้งหมดมันเลยเลยนั่นไปแล้วทิ้งหมดแต่มันก็ไม่จับเสื้อมือเปล่ามันต้องมีอะไรเป็นเป็นเครื่องสนับสนุนข้างในถึงจะไปได้อาัยการสังสมอบรมนี่แหละ เป็นเรื่องสาคัญมากทั้งนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหาความงงเงาหาวนอน น, ออ A, น, นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอทางด้านจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละท้อแท้ท้อถอยไม่เป็นไปตามสัจจะที่ปักเอาไว้นี่นี่จิตใจอ่อนแอ ใจเข้มแข็งตั้งยังไงเป็นอย่างนั้นหินหักลงตาเด็ดนิสัยท่านเด็ดตั้งอะไรแล้วหินเหมือนหินหักเลยต่อไม่ได้ท่านใช้คาว่าเหมือนหินหักต่อไม่ได้เด็ดนั่นเด็ดแท้อืแข็งขาดไปเลยมันไม่ใช่อ่อนปวกเปียก ด, ดัดมาซ้ายก็ได้ดัดมาขวาก็ได้เหมือนเทียนถูกความร้อน่ะอ่อน นี่ในสัจชิกาในสัจชิกขตุดงนี่เราก็สมาทานได้เป็นเป็นคืนคืนเราสมาทานได้ดนอนอยู่โคนไม้เราก็สมาทานได้เป็นคราวๆได้อยู่กลางแจ้งเช่นอย่างว่าเรามีรารันหินนี่เราสามารถอยู่กลางแจ้งได้อยู่กลางแจ้งเนี่ย เราก็สมาทานเป็นคืนๆได้อยู่ป่าเราก็ไปอยู่ป่าเราสามารถสมาทานเป็นคืนๆได้แต่บินทบาตเนี่ยเราทําได้ตลอดฉั้นมือเดียวเราทําได้ตลอดมือเดียวนี่เราทําเป็นข้อวัดเป็นกิ จ, จวัตรเป็นอาจินนะวัดป่าเราเนี่ยใครแม้แต่ลูกอยากที่ที่ฉันแล้วเนี่ยอะไรที่เป็น น้ำอะไรอย่างอื่นยกเว้นแต่บางบางท่านท่านป่วยป่วยบางอย่างอาหารบางอย่างอของดื่มบางอย่างที่เป็นประเภทอาหารนี้บางองค์ท่านก็เอาบ้าง น, นี่เราพูดถึงวัดป่าเรานะบางองค์ท่านไม่เอาเลยฉันมื้อเดียวก็มื้อเดียวเลยเมื้อเดียวก็มื้อเดียวเลยต้องจิมจ้มจิ้มต้องต้องจิ้มฟันเนี่ยต้องจิม้มแขวล้างปากล้างอะไรท่ออะไร ถึงละเอียดถึงขนาดนั้นนะกลวมันจะกลืนที่มีเศษอาหารลงไปเมื่อลุกไปแล้วเนี่ยถึงขนาดนั้นนะนี่ชั้นมือเดียวเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัดเดินบินธบัตตามแถวเป็นวัดมไม่รับไม่รับอาหารตามส่งเช่นอย่างเราจะพาสมาทานในภาษาเนี่ยเป็นวัด ไ ด, ได้กี่อย่างละสามสี่อย่างคือพลอยได้ฉันในบาทเป็นวดัดฉันอาสนะเดียวฉันมือเดียวเป็นวดัดนี่เป็นสุ ด, ดวงกวดัดรักษาเอาไว้ทรงเอาไว้ลํากันทําความเพียรหลงตาท่านกันเน้นหนักตลอดท่านบอกว่าทำสักด่์สิทําไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเป็นเป็นเครื่องมาช่วยชุดช่วยลากช่วยอะไรไม่ได้ เครื่องช่วยชุดช่วยลากที่ดีที่สุดก็คือทุดงขวัตินี่แหละทุดงขวัตสิบสามไปดูเราสมาทานอันไหนที่มันสะดวกได้เป็นข้อเป็นข้ อ, เ, ขอเราก็ไปดูนี่เขามีทั้งคำบาลีมีทั้งอะไรอยู่นั่นคำภาษาไทยไปจดเอาไปท่องเอาไปสมาทานเอาแต่สมาทานแล้วต้องรักษายิ่งด้วยสัจจะเพราะสะดงขาดหมดสัจจะสดงก็ขาด มมดสัจจะตะงขาดอไม่มีสัจจะตะงก็ขาดนี่คือการตั้งใจปฏิบัติขาดเกลาพระเราพระใหม่พระใหม่ก็มากนะพระใหม่อันไหนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ศึกษาเข้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ไม่หนักหนาสาหัสมุ่มงมั่น ต้องการอย่างเดียวบุญทุกอย่าลลำบากถูกต้องถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ได้ถือความสะดวกสบายเป็นหลักถือความถูกต้องตามหลักตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์เป็นทำเป็นหลักอดนอนผ่อนอาหารนี่อันนี้ก็ถือตามอัธยาศัย ต้องอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรเพื่อตั้งใจทำความเพียรไม่ใช่ตื่นไม่ทันแล้วก็พลอยอดตื่นไม่ทันปลอยอดก็ให้รู้ตัวเราก็ต้องรีบแก้ไขมันเป็นเรื่องที่จะต้องดัดตัวเองตลอดนั่นแหละทั้งความเป็นอยู่ทั้งการหลับการนอนทั้งอาหารทั้งงาน งานคืองานใหม่งานข้อวัดต่างๆที่เราทำนะั่นเป็นงานใหม่สำหรับเราทำสักหน่อยหนึ่งก็ชินแล้วก็ชินก็เชื่องก็ทาตามทำได้ตามปกติแต่ความประพฤติทุกอย่างเนะี่ยครูบาอาจารย์ท่านแฝงมากับข้อวัดข้อวัดอาศัยข้อวัดนี่เป็นเครื่องช่วยขัดช่วยเกาเราได้อีกเหมือนกันอ่า ทำตรงเวลาทำตามเวลาทำตรงเวลาทำตามเวลาทำละเอียดขึ้นทำประณีตขึ้นทำไม่ให้ขาดทำเพื่อเป็นการขัดเกลาปลุกฝังอัธยาศัยตัวเองให้ละเอียดขึ้นนี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเราถือตุดดงกันญาติโ ย, ยมเราก็ตั้งใจ รักษาสินให้ตลอดบางคนถืออุโบสถก็มาถืออุโบสถตลอดวันพระน้อยวันพระใหญ่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอา น, นิสงออ ส, งส์การถืออุโบสถเ น, นี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลเนี่ยการถืออโบสินโนโบสถเนี่ยปานาธินะอะพรามาอะพรามาก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยกับผู้ชายกับผู้หญิง มีสามีมีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้ถือสินแปดเห็นไหมเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ขัดละเอียดเข้าไปอีกเกี่ยวกับเรื่องสินศินแปดนะข้อสามเนี่ยเกี่ยวข้องกันไม่ได้แต่สินห้านี่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาตัวเองได้แต่สินแปดเนี่ยเกี่ยวข้องไม่ได้ฮะฟ้ากับดินไหมเราเทียบดูเราพิจารณาดูดิ ระวัางสินห้ากับศินแปเนี่ยข้อสี่ข้อห้าก็เหมือนกันกันกบศินห้าข้อหกอันนี้ก็แตกต่างเข้าไปอีกไม่รับทานอาหารในยางวิการเช้าช่วเที่ยงรับทานจริงที่เป็นอาหารได้เช้าชั่วเที่ยงเช้าชั่วเที่ยงก็คือสิบหกหกชั่วโมงหกชั่วโมง หลังเที่ยงไปแล้วถือว่าเป็นวิกาลวิกาลไปจนถึงอารุณ์ขึ้นของวันใหม่ถือว่าเป็นวันถือว่าวิกาลวิกาลไม่ใช่การคาว่าวิกาลก็คือไม่ใช่การที่จะฉันอาหารฉันได้เช้าชวดเที่ยงฉันยาว่ากาลิกนะคือประเภทอาหารกาลิกประเภทอาหารนี่คือศิลแปดทไมท่านท่านจึงให้ฉัน <c oughs> ฉันแค่นี้ทำไมท่านจึงมันอยากเป็นศิน เพราะถ้าเราถือได้แค่นี้นี่มันก็ช่วยทำให้ร่างกายเบาสบายคือเช้าช่วดเที่ยงนี่บางคนก็อาจจะมื้อเดียวเหมือนอย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี่บางคนอาจจะสองมือ้อโอ้โหสองมือนี่ก็เหลือเฟือแล้วแหละร่างกายเพียงพอได้ยินครูบาอาจารย์ท่านท่านเล่าให้ฟังผู้ที่ได้ธรรมะถึงถึงชั้นพระอนาคามีนี่ มันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติฉันมือเดียวโดยอัตโนมัติอคือมันเพียงพอมื้อเดียวนะ่ะเพียงพอเรามาดูอีกทีหนึ่งวัดป่าเราฉันมือเดียวเนะี่ยบางทีเราก็อดกันอีกทั้งหลายวัน น, นี่ก็ยังอดได้อยู่ยังมีแรงอดได้อยู่อ่ามันจะไม่เหลือเฟือได้ยังไงแค่ฉันมื้อเดียวเนะี่ยยิ่งเราสองมื้อด้วยแล้วแต่ก่อนเที่ยงเนี่ย โอ้ oh, ถ้าเราจะว่าไปอย่างหนึ่งก็คือยังยังเหลือเฟืออยู่นะแต่ถ้ามื้อเดียวนี่พอดีอยู่สบายเหมือนอย่างที่พวกเราถือกันมื้อเดียวอยู่สบายนี้วิการและโภชนาะการอดนอนผ่อนอาหารนี่ก็เป็นการมาปรับาธาตุขันของเราให้เบาสบายเพื่อการตั้งใจภาวนาของเราจะได้ขยับเข้าไปได้มันจะไม่หนักมันจะไม่อืดนิวรณ์มันจะไม่ค่อยครอบงํา การใช้เอาการเอาจิตมาใช้พิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยมันไปได้ดีมันคล่องดีเราสังเกตคนอสังเกตคนนอนไม่หลับนาคนนอนไม่หลับอย่างเราอดอาหารเนีห่หลายวันมันก็นอนไม่หลับนะแค่คืนเดียวมันก็นอนไม่หลับแล้วคือมันอิ่มนอนแป๊บเดียวก็อิ่ม ชั่วโมงสองชั่วโมงก็อิ่มแต่บางครั้งด้วยเหตุที่ร่างกายมันอ่อนเพลียมันเหนื่อยมันก็ไม่หลับไปไม่ใช่หิวนอนไม่ใช่อยากนอนแต่ร่างกายมันเพลียแบบนี้มันก็หลับไปได้พอร่างกายอยากหลับใจมันก็ปล่อยให้หลับไปนี่คือการรับทานอาหารผ่อนอาหารมันทำให้เระเบาสบายพิจารณาทางด้านปัญญามันคล่องดี การเอาจิตมาใช้เนื่องจากว่าเราไม่รับทานอาหารจนหนักกันเต็มแปร่เนี่ยปัญญามันออกดีปัญญามันออกดีญญ ม, ออกดมันคล่องดอีเราดูแต่ว่าเราไม่ทันอาหารไม่ฉันอาหารเลยเนี่ยมันนอนไม่หลับนั่นแหละมันนอนไม่หลับเรากพยายามดารงสติตั้งใจภาวน า, าไว้ยิ่งเราเอาช่วงนั้นมาใช้การพินิตฐ์พิจรารณา เพื่อหเห็นความหยาบความละเอียดของจิตของเราเห็นคนเห็นอุบาหเห็นมายาของกิเลสเอาหลักข้อประพฤติปฏิบัติมากำกับกำหนดจุดจอเพื่อหเห็นเหตุเห็นผลกับอัดกับธรรมที่เราพยายามจะต่อสู้นี่มันก็เข้าหลักเข้ากีดมันก็ง่ายขึ้นนี่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นผลเห็นผลการอดนอนผ่อนอาหารแล้วก็ตั้งใจทําความภาคความเพียร มันจึงเข้ากันมิการับโภชนะข้อหกท่านจึงให้อดให้เบาๆให้เพราๆหน่อยคนที่เคยอ้วนอึดอัดหนักเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยนายนิวรณนครอบงำง่ายมันก็จะเบาลงรากายมันเบาเราไม่ต้องถึงกับง่วงดอก เรารับทานอาหารมากจนร่างกายเนี่แพร่ไปด้วยอาหารทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งอะไรเนี่ยแพร่เราก็จะเดินหนักตัวแหละหนักอึดอัดเต็มไปหมดอ่ะหนักยกขาโอ้ยหนักหนั ก, นกตนหนักตัวแต่ถ้าเราเพลาๆสักหน่อยเนี่ยโอ้มันคล่องตั ว, วเดินขากระเบาอะไรก็เบาตัวปลิวมันไปอย่างนั้นอนะ่ะมันเหมือนกับรถที่บรรทุกหนักก็ไม่หนักอะไร ร่างกายไม่อึดอัดอร่างกายไม่อึดอัดแต่ก็ต้องก็ต้องรุนนิษย์ใอัยารัยใสกัตัวเองด้วยฮ uh huh. กระเพาะเล่นงานนะรดกระเพาะเล่นงานแต่เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงถ้าเราตั้งใจจะทำถ้ามัแต่หวงสิ่งเหล่านั้น uh huh. คือยังไม่ได้ทําเลยเลยถูกถูกบ่วงกิเลสอีกแล้วกิเลสมันล็อกคอไว้แล้ว กลจะเป็นนู้นกลัวจะเป็นนี้กลัจะเป็นโรคนั้นโรคนั้นจะมาแทรกโรคนี้จะมาแทรกอ่าไม่ได้แล้วต้องได้กินจนได้บางคนเป็นอย่างงา Ancient ั้นบางคนเป็นอย่างงั้นนัทเจคีมาลาเนี่ยนี่ข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อแปดมันเป็นข้อเจ็ดข้อแปดของสินสินสิบของสมณเณร น, นะแต่สินแปดนั้นท่านเอามารวมกันนัทเจขีกับมาลานี่ นัชกีนัชคีก็คือการประคมดนตรีประคมด้วยตนเองเข้าไปฟังขับร้องประคมดนตรีแล้วก็ประคมดนตรีเองร้องรําทําเพลงเองนี่ต้นเรียกว่าประคมดนตรีกิริยาที่ทําเป็นกิริยาที่เพลินนะเพลินไปกับบทเพลงกับเสียงเพลงกับเสียงดนตรีนี่สิบแปดห้าม บางทีบางคนเผลอร้องเพลงก็ถือว่าผิดแหละบางคนก็ชอบฟังเพลงเพลินมันเคลิ้มไปแล้วจะขี่ไม่เข้าไปฟังขับร้องประโคมดนตรีไม่ร้องรำทำเพลงด้วยตนเองไม่ขับร้องด้วยตนเอง ไม่เข้าไปดูไปฟังเขาขับเขาร้องเขาประโคมดนตรีนี่นี้ขอ้ขอ 7, ข, อ 6, ขอ้อเจอ็ดข้อหกข้อเจ็ดนัจกีแล้วก็มาลามาลาก็คือประดับตกแต่งประดับตกแต่งร่างกายของตัวเอง เ, อเขียนคิ้วทาแป้งทาเล็บทาปากทาอะไรนี่นี่นทันถือว่าประดับประ ด, ระดตกแต่งร่างกายใส่เครื่องประดับใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นการประดับ ตกแต่งสีสันด้วยเครื่องประดับเนี่ยท่านว่าเป็นกิริยาแห่งความหลงท่านว่าเป็นกิริยาแห่งความหลงแต่ถ้าเร า, เาใส่เสื้อผ้าเพื่อความเป็นสุภาพเรียบร้อยอเราดูไปก็สวยงามแต่มันไม่เป็นการประดับไปอย่างหนึง่งแต่ถ้าใส่เพื่อเป็นการประดับ ไอ่ประดับหรือไม่ประดับเราดูไปที่ใจของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงรู้สึกเออใส่อันนี้ไปคนชอบมองดีเนาะออชอบใส อ, อ่าทําอย่างนั้นไปคนชอบมองดีนั่นกิริยาแบบนั้นเรียกว่ากิริยาใส่เพื่อประดับ อ, อ่าถ้าเราตั้งใจจะใส่เพื่อเออเราใส่ยาวๆอย่างงี้กันยุงเราใส่เราใสนนหนาๆอย่างงี้เพื่อกันยุงเนี่ย เราใส่อย่างนี้เรียบร้อยสุภาพดีไม่ไม่เพื่อเป็นการอวดไม่เพื่อเป็นการประดับมันถึงจะไม่เป็นม่มันถึงจะไม่เป็นการประดับอันนี้มันละเอียดไม่อยู่ที่ใจละเอียดลึกเข้าไปที่ใจด้ยนะถ้าเราจะว่าศีลเป็นศีลแล้วก็ศีลนี่ก็เป็นธรรมในตัวมันบวกมันตล่อมเข้าถึงกันหมดแหละรุติยาท่านท่านฉลาดเนี่ยท่านให้เราถือข้อวิรัสงดเว้น แต่ในขณะเดียวกันมันได้ผลโดยความเป็นธรรมก็เหมือนอย่างที่พูดถึงการไม่รับทานอาหารในยางวิกาล ร, รับไปแล้วเนี่ยสินขาดด้วยสินขาดด้วยแล้วก็ผลโดยธรรมมันก็ไม่ได้อีกด้วยแต่ถ้ารับไปแล้วไม่ทำให้ขาดสินก็ไม่ขาดและมันก็ได้ผลโดยความเป็นธรรมด้วยทำให้ได้ร่างกายเบาสบายปลอดโปรง่งนัชคีมาลา อุจจาสยานะมาสยานาคือนั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสัมฤกษ์คำว่านุ่นและสัมฤกษ์มันเป็นของที่นิ่มทําให้เราสัมผัสแล้วมีความนิ่มมีความติดอกติดใจในการสัมผัสความนิ่มแต่ทุกอย่างไอ้ทุกวันนี้เราก็เลี่ยงบาลีว่า ง, งั้นเถอะไอ้สิ่งที่ไม่ใช่นุ่นไม่ใช่สัมฤกมันเขาสามารถทําให้นิ่มมากกว่านั้นก็ได้ ฟองน้ําเอวยายสังเคราะห์เอวยอะไรอะไรเอวยี่ขนนกขนไก่ขนสัตว์ขนอะไรเอวยเนี่ยบางทีเราก็เรียงบาลีเหมือนกันโอ้อันนี้มันไม่ใช่นุ่นไม่ใช่สัมฤทธิ์ถ้าเราจะดูโดยความเป็นธรรมเราก็ดูไปที่ความสัมผัสการสัมผัสสิ่งเหล่านั้นติดอกติดใจชอบอกชอบใจไหมนั่นแหละสิ่งที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสัมฤทธิ์ มันทำให้เราติดอกติดใจในการสัมผัสที่นั่งที่นอนสูงใหญ่โดยเฉพาะกรหัสเราเวลาเราไปใช้มันก็จะเกิดสัญญาอารมณ์ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ที่นั่งที่นอนใหญ่ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่มันเป็นที่นั่งที่นอนของคนคู่นอนคู่อะไรลักษณะอย่างนั้นมันจะชวนให้คิดเป็นสัญญาเป็นอารมณ์ไปงั้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านฉลาดนะ ท่านสอดแทรกศีลกับธรรมไปด้วยกันทีนี้ถ้าถือได้แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันก็เป็นการปิดช่องปิดรูกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่ละช่องแต่ละรูแต่ละข้อแต่ละสิกขาบทปิดช่องปิดรูที่กิเลสมันจะสวมรอยทะลุทะลักทะลวงเข้ามาเนี่ยฉลาดมากอุทธยจ้าท่านฉลาดศีลหน้ยิ่งศีลของพระด้วยแลในสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลพิสุณีสามรอยสิบเอ็ดเราดูที่ โอ้จะขยับแต่ละแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยจะต้องมีความระลึกพร้อมว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ขาดสติกลายเป็นว่าศีลเป็นเครื่องช่วยผูกมัดให้เรามีสติขาดสติก็ต้องอับับ น, นะต้องด้วยอาการขาดสติต้องด้วยการขาดสติเขาว่าขาดสติก็คือขาดความสำรวมระมัดระวังคาว่าขาดสติในที่นี้ มันไม่ใช่คนหลงซึ่งท่านจะได้ให้อมูลหะวินัยไม่ใช่คําว่ากัดคาสติในที่นี้หมา ย, มาย ว, ามว่าเผลอเลเผลอพลั้งเผลอเล่นเลอ่อท่านใช้คําว่าเล่นเลอ่อขาดความสังวรสํารวมระมัดระวังศีลเป็นเครื่องช่วยกระตุกกระตุ้นให้เรามีสติให้มีสัมปชัญญะนี่จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อสิบเอ็ด เหมือนกันหมดทำให้เรามีสติไม่ขาดสติศีลจึงเป็นเครื่องศีลจึงเป็นกระพีห่อหุ้มแก่นได้เป็นอย่างดี ห, ห่อหุ้มธรรมหงตาท่านว่าศีลเป็นรั้วสองฝากทางสาหรับกันเราไม่ให้ออกซ้ายออกขวาเราจะเห็นศีลที่พระองค์ทรงบัหยัติศีลห้ 5, อาอ้าวขยับเข้าไปอีกศีลแปดอา้าวขยับไปอีกศีลสิบอา้าวขยับไปอีก สีลสองเแต่เราจะเทียบเหมือนหนทางก็คือหนถางที่เรียวไปข้างหน้าเนี่ยเรียวไปเรียวไปเรียวไปจับกว้างกว้างก็เรียวไปเรียวไปเรียวไปเรียวไปเรียวไปเรยวไปเรียวไปเรี่วรยวไปเียวไปเวปเรยรียเรียวไปเรียเรียวไปเยวไปเรียเรียเรียดเข้าไปเรเียไปเรียวเยไปเรเียเรียไปเรีไรยไปเรียวเรีไปเรียวยไรยรยวไปเวไปยเรวไีไรไปเรียวไปเรปเรียยไรรวยววีเเีย ที่เขาทำไอ้คอกสำหรับจะจับนั่นน่ะเขาทําใหญ่แล้วก็เล็กไปเล็กไปเล็กไปเล็กไปแล้วก็จับเอาการที่เราจะจับกิเลสในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันตามอย่างที่พูดมานี่แหละศินก็เหมือนกับคอกที่จะทําให้เรียวเข้าไปเรียวเข้าไปเรียวเข้าไปเทตร่มเข้ามาตทศร่ำเข้ามาตทศร่ำเข้ามาให้มาเกี่ยวข้องกับกับกับจิตของเรากับกิเลสของเราที่มันต่อกันอยู่ข้างใน มันจะได้เกินเห็นตัวเห็นตนเห็นห น, นี่จะได้ต่อกนกันจังๆชัดๆนี่ยคือศีลกับธรรมท่านบอกว่าถ้าไม่มีศีลเอ้ยถ้าไม่มีศีลก็เหมือนเราไม่ไ ม, มีกรอบไม่มีขอ้อไม่รู้เราจะแวะซ้ายหรือเราจะแวะขวาและเป้าหมายไม่รู้จะไปถึงที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็รู้ไม่ได้ถ้าหมดแว่แวะไปแวะมาหันหลังให้อีกตั้งหาเงเนี่ยทําไงท่านนี้ถ้าหันหลังให้กับเป้าที่เราตั้งเอาไวา้เนี่ย ยิ่งเดินไปเท่าไรยิ่งก้าวไปเท่าไรก็ยิ่งห่างก้าไปเท่านี่ยิ่งห่างก้าไปเลยแหละเท่านี้นี่เป็นข้ออุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบถึงการประพฤติปฏิบัติสินธรรมจึงเป็นหลักเป็นกรอบที่เราจะเอามาพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีการชำระขัดเกลาจิตของเราผู้่ที่เข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เป็นมณทินในหัวใจของเรานั่นแหละมันเป็นการทําให้จิตของเราใจของเราเฉลาดฉลาดขึ้น ถ้าไม่ฉลาดไม่เห็นถ้าไม่ฉลาดจะไม่เห็นมันแหละมันจะหลบหลบสั้นสั้นปิดปิดบางบางอยู่ในที่ ท, ที่มืดอยู่ในที่ทึบอยู่ในที่มีที่สิ่งที่มุงที่บังอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องต้องฉลาดใช้อะไรใช้อะไรเป็นเครื่องมือใช้อะไรเป็นอุปกรณ์ใช้สติใช้สัมผชัญญะซึ่งเป็นเสมือนแสงสว่างส่องเข้าไป ดูเข้าไปสองเข้าไปดูเข้าไปเหมือนกับเราไปเปิดกระโหลกกะลาอะไรที่มันคว่ำอยู่ที่มันเอียงเอียงที่มันบดมันบังอะไรอยู่อเพื่อจะได้ทราบว่ามีอสารพิษอยู่ไหมมีตะขาบแมงป่องมีอะไรอยู่ไหมพอเราเปิดเราสองเห็นปั๊บสิ่งเราน้ากันหนีเราส่องตรงนี้มันก็หนีไปอยู่ตรงโน้นมันหลบไปอยู่ที่มืดเราส่องตรงนี้มันก็หลบไปอยู่ตรงนั้นสองมันก็หลบไปอยู่ตรงนั้น จิตของเราถ้าหากเราฝึกให้จิตของเรามีสติดีมีสัมปชัญญะดีเหมือนกับเราพยายามทำความสว่างให้กับจิตของเราปัญญาเปรียบเหมือนความสว่างอวิชชาเปรียบเหมือนความมืดหรือโมหะความหลงในใจของเราเปรียบเสมือนความมืดอสระพิษมันชอบอยู่ในที่มืดมืดเพราะฉะนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีมุมมืดมันก็เลยอาศัยมุมมืดนั่นแหละอยู่ได้ นะเราก็พยายามทำสติทาปัญญาของเราให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความสว่างเพื่อจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแหลนะพอเห็นแล้วมันก็หลบพอเห็นแล้วมันก็หลบพอเห็นแล้วมันก็หลบพอเห็นแล้วมันก็หลบเราก็ตามไปไนั่นแหละถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกับขโมยกระโจนมันแ อ, นนอบหลังบ้านเข้าหลางัลงบ้านเรานั่นแหละพอเห็นเรามันก็หลบหลบไปนน่นไปซ่อนอยู่ที่ป่าละม่อนพอเห็นเราเปิด เจ้าของบ้านลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างจ้ามันก็หลบหลบไปนู่นอ่าตอนนี้เรารู้แล้วล่ะเออมันหลบเข้าไปอยู่ที่นู่นตามไปเลยทธอเนี่ยอ่าวบุกไปฟาดหัวมันละตอนนี้ลักษณะการพิจารณาเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นไปปลิกปิกแพปลงเพื่อที่จะไปรู้ไปเห็นอะไรของมันเนี่ยเหมือนเราตามไปเล่นงานมันที่ป่าละเมาะนี่ยแหละไอ้ที่มันคอยแอบมาขโมยของหลังบ้านเราเน่ย กิเลสมันก็ไม่ต่างอะไรกับขโมยที่มันแอบมาหลังบ้านเรานั้นปราศจากผู้รู้ปราศจากเวรยามปราศจากแสงไฟทีไรเมื่อไหร่มันก็แอบเข้ามาภายในจิตใจของเราปล่อยให้โมหะมันครอบงําทีไรเมื่อไหร่เจ้า ก, กิเลสตัณหามันก็ออกมาเล่นงานเราทีนั้นเมื่อนั้นทันทีทันทีเลยแหละเพราะในขณะที่เราเรา ทำงานอยู่นี่มันก็แอมาตามหลังมานี่แหละเพราะมันเป็นคู่แข่งกันนี่ธรรมะคู่แข่งขันกิเลสกับธรรมนี่แหละมันแข่งขันกันต้องแต่กลับไหนกันไหนมาเป็นปริชาติไหนก็นไม่รู้แหละกิเลสกับธรรมในหัวใจของเรามันมีธรรมมีแต่มีน้อยจนแทบไม่รู้ฤทธิเดชไม่มีฤทธิเดชอะไรที่จะควบคุมมันได้ด้วยเหตุที่มีธรรมนี่แหละ อย่างน้อยๆมีมนุษยธรรมน่ยเราจึงได้อุบัติมาเป็นมนุษย์แต่ตราบใดพบใดชาติใดที่เราขาดมนุษยธรรมมันก็ตกกระป๋องไปแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นไปเป็นสัตว์เปรตสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานตราบใดที่มีมนุษยธรรมมีหิริมีความละอายต่อบาปมีความละอายต่อความเกรงกลัวต่อความชั่วละอายต่อความชั่ว นี่คือคุณธรรมของความเป็นมนุษย์มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปนี่คุณธรรมนี่แหละเป็นคุณธรรมสร้างให้พวกเราเป็ น, เ, ปนเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าหากใครไม่มีความละอายแก่บาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปตกนรกทันทีในขณะ น, นั้ น, น, น, น, นในตอนนั้นในการที่จะตัดสินใจทำนั่นทำนี้ไปในกรรมที่ชั่วช้าลามก โดยเพราศจากความละอายความเกรงกลัวต่อผลของบาปนั้นๆนะตกจากความเป็นภาวะความเป็นมนุษย์มีแต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันตกเป็นเป็นจิตใจของสัตว์ไปแล้วอืมมันละเอียดนะอมันละเอียดมันพันเข้าไปที่ใจของเรานัเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์เอาอะไรมาตัดสินมาเป็นเกณฑ์ว่าทําไมท่านทึ่ได้เป็นมนุษย์ อ๋อรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักมีหิริหิริมันมีในจิตในใจนะมันเป็นพื้นเป็นสันดานพื้นเพในสันดานสันดานนี่ภาษาบาลีนะแต่ภาษาไทยเราถ้าเอาไปใช้แล้วก็ฟังว่าดูเหมือนไม่ค่อยดีสันตาณสันตานะ ส, นานะสันดานก็พื้นเพจิริตนิสัยของจิตนั่นแหละสิ่งไหนที่เราทําบ่อยครั้งเข้าชอบเป็นพิเศษบ่อยครั้งเข้า ที่เป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยเป็นสันดานนี่แหละสิ่งที่เราสังสมบ่อยๆใกล้ชิดกับสิ่งชั่วช้าละมุกมันก็กลายเป็นสันดานของชั่วช้าละมกไปถ้เราจะเทียบง่ายๆคือพานั่นแหละเราคบคนพานนิสัยของเราก็จะพลอยเป็นพานไปด้วยพานในใจของเราก็คือพานของกิเลสนั่นแหละกิเลมันเป็นพาน ถ้าเราคบกิเลสบ่อยๆก็เท่ากับเราคบผ่านบ่อยๆนิสัยสันดานเราก็เป็นผ่านพลอยจะเป็นผ่านไปเรื่อยถ้าเรามีหินมีอุปปาเนี่ยเราคบเราคบบัณฑิตนะยิ่งคบสติคบสัมปชัญญะเข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นการคบมหาบัณฑิตคบปัญญาคบปัญญาญานเข้าไปอีกเป็นมหาบัณฑิตท่านให้คบบัณฑิต มันติดข้างในมันดิดข้างในใจของเราผ่านในใจของเราคือเกิดจากกิเลสมันเป็นอันตพาลมันเป็นคนผ่านมันเป็นสัตว์พาลมันเป็นกิริยาที่ผ่านมันติดมาในนิสัยสันดานของจิตของเรามาด้วยกันนั่นแหละตั้งแต่กลับการโรเรชันไหนเราก็รู้ไม่ได้แหละว่าแต่คนเรามีจิตที่มีจิตคนละดวงคนละดวงขึ้นมาเหมือนกับเรามีแก้ววิเศษว่างั้นเถะ เมือ่อเรามีแก้ววิเศษเพราะได้มาแล้วก็หลงเพลินไปกับความวิเศษของแก้วดวงนี้นะผู้รู้นี่เหมือนกับแก้ววิเศษเหมือนกับดวงวิเศษสามารถไปรู้สามารถไปเห็นสามารถไปได้ยินได้คิดได้สัมผัสได้อะไรต่อะไรหลงเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้หละด้วยความเห็นว่าวิจิตพิสดารโอรูปโอรูปอย่างนั้นโอรูปนี้เห็นเรื่อยๆก็หลงไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยก็ยึดไปเรื่อย โอเสียงนี้เสียงเพราะอย่างนี้ไม่เพราะอย่างนี้เห็นไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยยืดไปเรื่อยอกลิ่นรสสัมผัสอแม้แต่สัญญาตกผึกไปแล้วไปเป็นสัญญานั่งนึกนั่งนึกนอน น, นอนนึกนอนอนคิดคิดไปตามสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นขันขันหนึ่งอที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับผู้รูก้กับธาตรู้มันก็หลงไปเรื่อย ผูรู้เนี่ยพลอยหลงไปเห ล, ลงไปเรื่หล ง, ล ง, ลงจนเป็นเหตุว่าเราจะต้องแก้มีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเอกอักบุรุษเป็นผู้สามารถไหวกว่ายออกจากกรงขังของสิ่งเหล่านี้มาได้ช่ำชองในอบายวิธีผู้ที่จะแก้แก้สิ่งที่เศร้าหมองขุนมัวกับผู้รู้ให้ชะอย่างนั้นให้ล้างอย่างนี้ชำระอย่างนั้นชำระอย่างนี้น เป็นเหตุพวกเราได้ยินได้ฟังได้ประพฤติตามได้ถือตามได้ปฏิบัติตามพวกเราได้ยินได้ฟังก็เอาไปใส่ใจน้อมนึกเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติอย่าลืมว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีความละอายต่อ บ, บาปต้องเป็นผู้มีความเกรงกลัวต่อผลของบาป เกิดขึ้นในในใจนะเกิดขึ้นในสันดาลในหัวใจเกิดขึ้นลึกๆในหัวใจมันมีอยู่ต้องดูที่มีไหมมันมีอยู่นะมันละอายจริงๆอะ่ะมันละอายด้วยมันเกรงกลัวด้วยท่านว่ามีฮิริถ้าใครมีฮิริได้เป็นพื้นเป็นพืช น, น, น, นั่นนะคนนั้นเป็นเทวดาทั้งๆที่อยู่ในร่างของมนุษย์นี่แหละเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมของพวกที่เป็นเทวดาพวกนี้เขากลัวบาปเขากลัวบาป ก็กลัวบาปแต่ผลอ น, นิสงทําให้เป็นเทวดาบางทีก็ไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะทําอย่างอื่นมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเทวดามิจฉาทิฐิมันถึงไปเกิดเป็นมิจฉาทิฐิได้เราดูเท้าวัตสวัฎีมานั่นนะเป็นพยมานนะเป็นพรหมชั้นที่หนันนะนะ่ะที่ไปผจญต่อพระพุทธเจ้า <c oughs> การสร้างตัวเป็นพยมามันก็สามารถเอาชนะคนอื่นได้ได้ด้วยความความเป็นอันตพานอ่ะ มันได้ด้วยความเป็นอันถภาเนี่ยแหละ น, นี่คือพญามารสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้แต่ก็ไปจนตรอกไปจนมุมอยู่แค่นั้นแหละทะลุทะลวงไปไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนสร้างความเป็นพระเช่นอย่างพระพุทธเจ้าเพื่อปรารถนาเป็นพระโพธิญาณเนี่ยอันนี้ทะลุไปเลยพุทธเจ้าทะลุไปพญามารก็ไปตีไปตันอยู่แค่นั้นทวัดส ว, วัดิมาณในที่สุดต่อสู้พุทธเจ้าไม่ได้ หมดฤทธิกหมดเมดชแค่นี้แหละโอ้ถือว่าเยี่ยมที่สุดและอันนี้ก็อันนี้ก็เยี่ยมที่สุดอันนี้ก็เยี่ยมที่สุดอยู่หมดัดพระพุทธเจ้าหมดยอมแพ้ยอมดําเนินตามเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าบ้างในสุดหันมาเดินทางตามหลังพระนี่พระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าสร้างไว้เถอะใครสร้างวัสนาบารมีเพื่อความเป็นเป็นพญานเป็นผ่านแต่ก็ไปตีไปตันอยู่แค่นั้นแหละ ไปติไปตันอยู่แค่นั้นถ้าต้องการให้ทะลุต้องมาเดินตามหลังพระพุทธเจา้าที่ทะลุไปได้ <c oughs> เดินตามหลังมารพย า, ยา ม, มารก็คือเดินตามหลังกิเลสในใจของเรากิเลสสมานกิเลสมานกิเลส ท, ทั้งเรียกมาร น, นะไปดูในบาลีท่านเรียง ก, กิเลสสมานกิเลสมานกิเลสมันเป็นมารมันคอยขัดขวางคอยขัดขวางผู้ผู้จะดำรงอยู่ในธรรมมันขวาง เรื่องแหละเรื่องของกิเลสแหละมันขวางทุกเรื่องขวางทำช่องไหนที่มันได้มันเนาเลยแหละช่องไหนมันเนื้อกว่าเน่ยมันเยอะเยอ ย, อยอเรามันสบายหัวเราะละอกิเลสหัวเราะกิเลสหัวเราะยาะกิเลสได้ท่าช่องไหนมันเสียเปรียบเรามันเงียบมิดหมอ บ, มบหมกอ่โมกคอยท่าหมอบคอยท่า เพลิดที Finanz, er ่ไรเพลิดเมื่อเมื่อไรเมื่อไหร่ออกมาเล่นงานเพลิดที่ไรเมื่อไหร่ออกมาเล่นงานมันไม่ถอยอะมันมามันติดติดมาตามหลังมานี่แหละเพราะมันเป็นคู่แข่งกันตลอดที่เลยกับธรรมคบบัณฑิตข้างนอกคบบัณฑิตข้างในคบผ่านข้างนอกคบผ่านข้างในนี่หลวงตาท่านท่านท่านเทศเทศทางข้างนอกเทศทางข้างใน ก็ S <S <an> เลยทําให้เราเข้าใจที่โอผ่านข้างในกิเลสนะบัณฑิตข้างในคือศินสมาธิปัญญาบัณฑิตข้างในเราพยายามคบบัณฑิตในหัวใจของเราเจริญศินเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ทานกขาทลองเข้าไปให้ทานนี่ก็ละเอียดนะให้ทานนี่มันละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยยิ่งอภัยาทานด้วยแล้วยิ่งละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยอภัยาทานอ่า ทำให้ได้ผลโดยความเป็นธรรมในช่วงนั้นระยะนั้นเวลานั้นทันทีขึ้นมาเคยเจ็บใจจากการทิมแทงทิมแทง ท, ม ท, งทิมแทงเพราะยึดเพราะถือเรื่องราวเครียดผิดใจกันกับคนนั้นกับคนนี้เห็นหน้ากันทีไรกับแทงจิกได้ยินเสียงกันทีไรกับแทงจึกคิดถึงทีไรเมื่อไรกับแทงจิกนี่คือการผูกมัดเอาไว้ แต่ถ้าเราให้อภัยเออให้อภัยถอนเหมือนถอนเหล็กถอ น, หนแหลนแหล น, นแหลนถอนถอนแหลนถอนเหลาถอนริ่มออกจากหัวใจในเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะไปทนให้มันแทงทําไมเราก็ถอนให้อภัยให้อภัยเป็นทานไปเลยเรื่องเรานั้นๆั่นเออเอาเสียสละเป็นทาน พูดง่ายๆเสียสละไปเลยมาเสียสละแต่ปากเสียสละในใจสบายไหมทีนี้มันไม่ต้องแทงใจแหละทีนี้ไม่ต้องทิ่มแทงใจเยนี่ละเอียดทานละเอียดไม่ธรรมดาเหมือนกันนะให้อวัยวะเป็นทานให้ชีวิตเป็นทานละเอียดไหมสร้างบารมีเพื่อเป็นพระโ พ, พธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเป็นสาวกเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ พระพุทธเจ้าท่านปูทางเอาไว้แล้วพเพียงแต่ดำเนินไปตามทางนั้นเอาให้ยิ่งเอาให้เต็มที่จะขยับไปเรื่อยขยับไปได้เรื่อยให้โอกาสกับตัวเองเห็นทุกข์เห็นโทษมองในแง่ทุกข์แง่โทษในวัตฏสงสารในความเป็นอยู่เพื่อจะได้เข็ดเพื่อจะได้ลาบเพื่อจะได้ทีบออกไปให้มันเร็วๆ ว, วันนี้พอสมควรแก่เวลานะ ตอนนี้ก็สามทุ่มเกือบครึ่งพวกเราก็ไปพักผ่อน